ตอนบรรยายธรรมเนื่องในวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม 2,560 กรกาบนักมัสการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณไมชีกัลยมิตรทุกท่านก็นั่งสบายสบา ย, บายเนะาะบังเอิญวันอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่หนึ่งพอดีนะวันที่หนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงวันต้นเดือนบังเอิญหนึ่งเนี่ยเป็นวันต้นปีด้วยนะ ถ้าในทางสมมุติว่าเมื่อวานนี้เป็นปีเก่าหมดปีเก่าวันนี้ขึ้นปีใหม่และเที่ยวนี้พวกเรามีโอกาสนะตั้งตัวตั้งแต่เราส่งท้ายปีเก่านะมาเตรียมตัวตั้งแต่ทำวัดเย็นเมื่อวานนี้นะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะโดยเฉพาะ ครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดเราคือปฏิบัติบูบชาถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงราชการที่เก้านะแล้วก็เนื่องจากอันนี้เป็นธรรมดีนะแทนที่จะเวลาวันหยุดปีใหม่ไปฉลองกินเหล้าเที่ยวเตะเพิ่มกิเลสนะเราก็เสียสละเวลาที่พวกคุณไม่ว่าคุณค่านะในทางโลกว่าเสียสละเวลาที่มันมีราคานะ มาสร้างกุศลให้กับตัวเองเนื่องจากเรามาแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุณแผ่นดินเกิดพระเจ้าของแผ่นดินเราเนี่ยท่านสวนรรคตนะเราในฐานะลูกหลานเป็นชาวไทยก็มาแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุณนะคนที่มีความกระตันยูเนี่ยนะความกตัญูคือสัญลักษณ์ของคนดีเมื่อเราทำดีเราเป็นคนดีแล้วเนี่ย ธรรมชาติย่อมคุ้มครองนะเราก็ได้สร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองเราก็ได้เริ่มต้นชีวิตในวันปีใหม่นะซึ่งเป็นกุศลเมื่อเช้านี่เช้า6กโมงครึ่งงานแรกที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ทำบุญตักบาตรนะาอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีในทางศาสนานะเพื่อให้เรารู้จักคำว่าให้ นะบางลทัทธิศาสนาเนี่ยเขาไปทำบุญเนี่ยเขาต้องเลือกของแพงๆของอร่อยนะเขาถือว่าเ็เาเรียกว่าอะไรล่ะไปไหว้เจ้าไหว้ทรงเนี่ยเพราะเจ้าของเขาชอบของอร่อยนะพอไปไหว้่ไปนั่งเฝ้ากลัวคนขขโมยนะพอไหว้เสร็จก็เอามากินของอร่อยนะแต่ในทางพุทธเราไม่ใช่อย่างนั้นเราถวายใส่บาตรปุ๊บก็หายไปเลย อันนี้เรียกว่าจาคะเป็นการให้ทานจริงๆแต่ถ้าไปไหว้เพื่อเราจะกินของอร่อยแลวเอากลับคืนมาเนี่ยมันมีอามิตรนะมันไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอันนั้นเขาเรียกว่าค้ากำไรเกินควรนะทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดออกนะ เหมือนกว่าเราจะหาเงินทุกวันนี้น่ะเขาจัดระบบชีวิตเราว่าเธอต้องเรียนวิชานั้นวิชานี้แล้วก็เธอมาทํางานปุ๊บเธอก็จะได้เงินเดือนตอบแทนแล้วก็เธอจะอยู่ได้เอาเงินไปซื้อนนท์ซื้อนี่กว่าจะเรียนจบกว่าจะมีงานทํากว่าจะหาเงินได้ยังกุตศลาแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่แลกด้วยหยาดเหงือแรงงานเนี่ยเอาไปเหวี่ยงทิ้งเหมือนโยนลงไปในน้ามันดังตุ้มถ้าจบแค่นั้นน่ะบรรลุบุญละ นะเหมือนเอาภูเขาออกจากอกภูเขาตัวนี้มันชื่อว่าโลบมันชื่อว่าโลบมันมีภูเขาอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากโกรธอีกตัวหนึ่งชื่อว่าหลงการให้ทานโดยวัตถุทานเนี่ยเป็นตัวโยนภูเขาตัวโลบนี้ออกไปความทยานอยากเราก็อ่อนลงการกระเสือกกระสนทําร้ายตัวเองเพื่อจะสร้างอนาคตมันก็อ่อนลงนะแต่เราไม่จะกลายเป็นคนขี้เกียจนะเราจะขยันมากขึ้นนะ ไม่ใช่ขยันเอานะนะขยันเราก็ได้อันนั้นคือเอามาเพื่อให้นะนะบุญสืบมเนื่องบุญคือเบาเราเอาภูเขาตัวโลภนี้ออกไปปุ๊บเราก็เบาแต่ถ้าเราโยนลงไปดังตุ้มอ่านะคิดสนุกโดดตามไปมุดในน้ำลงไปว่าเงินฉันไปไหนอันนี้ทรมานสังขารแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญ มันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญเฉยๆแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะเพราะมันมีอามิ t h การทำบุญก็คือสลัดออกปุ๊บเราได้ทันทีรู้สึกเบานั่นแหละคือบุญแต่ตอนนี้มาทำบุญให้พระพุทธเจ้าก็ดีให้เทพเทวดาก็ดีทำบุญไปร้อยหนึ่งสาธุให้ถูกรังวัลที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าค้ากำไรเกินควรมันไม่ใช่บุญ นะบุญคือจาคะคือสลัดออกเนี่ยการให้ทานเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่ทําลายความโลภความตะหนี่เราทุกวันนี้ที่เราโลภมากจนต้องโกหกเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงเขาไปลักขโมยเขาไปสร้างกรรมเพราะเรามีความโลภและกรรมนั้นมันต้องส่งผลเราพอเขาจับได้ว่าใครขโมยแล้วก็ถูกจับติดคุกติดตรางเห็นไหมนะ พอเราโกหกเขาวันหนึ่งเขารู้ความจริงเขาก็เกลียดเรานะนะเนี่ยพราะความโลภนะการทำทานเนี่ยเป็นอุบายเป็นเทคนิคในการกำจัดความโลภนะเนี่ยต้องทำบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำไปขโมยเงินเขามาทำอันนั้นก็ไม่ใช่บุญนะเออบุญเนี่ยต้องเกิดจากจิตที่บริสุทธ เจตนาที่บริสุทธิ์ไม่คาดหวังอะไรเลยเห็นไมเ อ, ออก็เอาออกเอาออกเอาออกทุกวันนี่คือเทคนิคในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะมันแบ่งเป็นสามสเปซี่ใหญ่ๆนะมันมีตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะตัวโกรธนี่ต้องอาศัยพลังของสมาธินะจะลดความโกรธลงมานะตัวหลงเนี่ยต้องใช้พลังของปัญญา มันหลงเพราะว่าเรามีอวิชาคือความรู้ผิดนะเราถูกสอนว่าเฮ้ยถ้าชนะถึงจะดีถึงจะเป็นคนเก่งนะถ้าร่ารวยแล้วเนี่ยถึงจะมั่นคงอันนี้ถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิน้นอวิชาคือความรู้ที่ผิดความรู้ใดที่ทำให้เราเกิดทุกข์เนี่ยถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิน้นไม่ได้แปลว่าอาวิชาคือความไม่รู้อย่างเราไม่รู้ว่าท่ทาสารมันไม่รู้ว่า รถเบนซ์คืออะไรเงินคืออะไรถามว่ามันอยากได้ไหมมันก็ไม่มีความอยากได้แต่เรารู้ว่ารถเบนซ์มันดีกว่าโตโยตา้าใช่ไหมเราก็อยากได้ดรถเบนซ์พอได้รถเบนซ์มาปุ๊บเนี่ยเขาเอาคัตเตอร์ไปกีดรถเบนซ์เราเราก็เลยทุกข์ไงแล้วก็เจ็บปวดอันนี้ถือว่าเป็นอวิชาคือความรู้ผิดอวิชาต้องดับด้วยวิชาวิชาไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาอาชีพแบบนั้นนะวิชาคือชช้างสองตัว คือตัวปัญญาตอนนี้เราเรียนรู้แค่เรียนรู้วิชาเพื่อจะเอาไปเป็นอาชีพมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพเพื่อยางชีพอาชีพอาศัยยางชีพคืออยู่ได้ไม่ตายแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันเป็นวิชาหาเงินเพื่อสร้างความมั่งคัง่งมันเลยไม่มีวันสิ้นสุดมันก็เลยทุกตลอดการนะช่วงนี้ขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงแรงมากนะเพราะบารมีพ่อหลวงเรานะหลังจากสิบสามตุลาที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์มากเหมือนพระ อ, องค์เตือนสติแล้วว่านะที่เมื่อวานพระครูกบัญญาอยู่ว่าปัดชิมโอวาสของพระของในหลวงของเราเนี่ยนะตอนปีใหม่ปีปีห้าเก้าที่ผ่านมา วันที่3สบอดของปี58นะพระองค์จะแสดงทุกทุกปีนะตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งแรกตอนที่พระองค์19ชันษาขึ้นครองลาดนะอันนั้นคือปฐมเป็นพระราชบัญบัตรเป็นเป็นอง์ปฐมนะพระองค์แสดงว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามจบอยู่ที่สุขนะพระองค์ก็ทำมาตลอดเวลาเจบปีนะก็เมื่อตั้งมั่นสัจธาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทำจริงๆแต่สุดท้ายในพระองค์ก็ไปเห็นว่าคนเราไม่ใช่มีสุขฝ่ายเดียวมันมีทุกข์ด้วยนะแล้วก็ปัดชิมโอวาทครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็บอกว่า มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนจบที่ว่าอย่าประมาทเราต้องเตรียมพร้อมอย่าประมาทเห็นไมคำนี้ต้องจำไว้แม่นๆอย่าประมาทเพราะโลกเปลี่ยนเปลียนทุกวันนะมันเปลี่ยนทุกวันอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางไหนแน่นอนตอนนี้ทุนนิยมวัตถุนิยมของโลกต้องเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการ ในสมองเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะทำยังไงให้มนุษยชาติอยู่ได้ตอนนี้ยักษ์ใหญ่ต่างๆเขาก็แข่งกันเพื่อลดต้นทุนเพื่อเขาจะได้เปรียบเพื่อเขาจะชนะนะจากนี้ไปเขาจะไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เขาจะใช้หุ่นยนตนะ์ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อมนุษยชาติเขาทำอยากให้เกมเขาชนะนะหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแสนบาทนะพูดได้ห้าภาษา กว่าเราจะเรียนห้าภาษาตลอดชีวิตนี้เรียนได้สักกี่คนเห็นไหมแล้วก็มีอารมณ์ด้วยดีใจก็พูดดีไม่ดีใจก็พูดลายแต่หุ่นยนต์นี้เขาอัดเสียงขึ้นไปนี่พูดเพราะตลอดเวลาไม่ต้องลาเข้าห้องน้ําด้วยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องลาคลอดอีกตั้งหากมนุษย์เราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วคนพวกนี้เนี่ยเขาครองโลกนะเขาก็คิดแต่ว่าเขาจะได้อะไรอะไรที่ทําให้เขาชนะ นี่เขามีความรู้ผิดบางคนว่ารู้ผิดได้ยังไงรู้ผิดมันล่ำรวยเอาล่ำรวยเอานั่นแหละเราเข้าใจผิดเราเข้ า, เ ข, าเข้าใจคำว่ารวยมันแปลว่าดีคุณแปลผิดนะรวยแปลว่ามีเยอะเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าดีนะจนก็แปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกขรวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขนะมนุษย์เราแปลภาษาผิด เราถูกภาษาทุนนิยมมันครอบงำเราแล้วก็ชะล่าใจว่าเฮ้ยต้องเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขพ่อครูหล่คนหนึ่งซื่อสัตย์ตัวคำนี้มากนะบ้านปลายไม่ใช่ชีวิตนะบ้านปลายถ้าบอกชีวิตชีวิตในการต่อสู้ในทางโลกนะวิ่งไปตามโลกสี่สิบปีบังเอิญบรนบุญเก่าทำให้เราเอาละ่ะเขาเรียกว่ารวยรวยคือมีเงินเยอะแต่พ่อครูหาความสุขไม่เจอนะ มีแต่ความว้าวุ่นความวังเวงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งแข่งกันแรงนะเออเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาศักดิ์รีนะกลัวไปหมดเลยไม่เคยกวดเกิดความมั่นคงแม้แต่หนึ่งหนึ่งนาทีนะแต่หลังจิตหลังจากจิตมันระเบิดมันพลิกปุ๊บมาอยู่ที่นี่28ปีเนี่ยมั่นคงตลอดทุกๆุวินาทีเเพราะมันไม่ได้กังวลอะไรเลยเออ ศูนย์นี้ไม่มีล้วรอบขอบชิดนี่พูดมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะไม่มีของหายไม่แต่หนึ่งชิน้นแต่มันอาถหายทุกวันก็ได้แต่มันไม่ใช่ของพ่อครูมั่นคงมากนะหลายปีก่อนมีญาติท ร, ร ม, มาจากปักช่องมาได้ค้างแค่คืนเดียวบอกจะกลับแล้วพรุ่งนี้เป็นสตรีนะเอาทาไมรีบกลับเขาบอกเขามีรีสอร์ทที่สองร้อยกว่าไร่ ต้องรีบไปเฝ้ามันพวกกูถามว่าทำไมมีน้อยจังเลยเขาก็มองหน้ามีแค่สองร้อยกว่าไล่พระธุดงคนี่ทั้งโลกนี้ของท่านหมดเลยนะแล้วทำไมต้องนั่งเฝ้าด้วยเดินไปไหนก็ น, นอนตรงนั้นทำไมมีแค่น้อยจังเลยแล้วเป็นทุกข์เพราะต้องไปนั่งเฝ้ามันเห็นไมเรามีความรู้ผิดไปสร้างบ้านแล้วก็ไปเฝ้าบ้านนะ เพราะวันไหนขโมยเข้าบ้านก็ทุกอีกแค่ขโมยเข้าบ้านก็ทุกมันไม่ได้แบกบ้านเราไปหน่อยสักหน่อยหนึ่งอะเอออยากมีก็มีแล้วนี่ไปทุกทําไมล่ะเห็นมไหมล่ะนี่คือเราถูกทุนนิยมว่ัฒนนิยมใส่โปรแกรมให้เราเราคิดนอกกรอบไม่ได้นะถ้านักศึกษาเราไปเรียนแบบเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นระาไม่ต้องไปเรียนหรอกนะ หุ่นยนต์มันพูดได้ตั้งห้าภาษามันเก่งกว่าเราราคามันแค่แสนหนึ่งญี่ปุ่นซื้อไปมันใช้เดือนหนึ่งก็คุ้มล้ะมันไม่อู้ด้วยนะมันนั่งเฝ้าอยู่นั้นตลอดเวลาขโมยของปู๊มันเห็นปุ๊บมันรายงานแล้วเห็นไหมแล้วมันพูดเพราะตลอดทั้งห้าภาษาเนั่นแหละไอ้บ้านเราคนเนี่ยอารมณ์ดีมากก็ใส่ลูกค้าอย่างนี้นะแล้วต่อไปเขาจะใช้เราทําไมดีแล้วดีแล้วไม่ต้องไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนะ มาเป็นแม่ชีเป็นเนนเป็นพระที่นี่ดีกว่าเห็นไพิจารณาอาหารก็พิจารณาก่อนโยมด้วยเห็นไมมีอาชีพไหนที่มันสูงส่งขนาดนี้เพราะครูไม่กลัวนะมาเยอะๆเลยนะมาปุ๊บมาเพิ่มปากหนึ่งเห็นไมไม่กลัวเรามีสองแขนมีสองขามีสมองด้วยมีใจด้วยไงกินกินให้มันสมบูรณ์แล้วมี ม, มือมีกำลังทำงาน มือหนึ่งทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองมือนึงทงานเนี่ยเพื่อแบ่งปันไมได้บุญทุกวันเนาะนะเมืองไทยเราตอนนี้นี่คนรวยก็มีพอสมควรแล้วรวยล้นฟ้าเลยพวกที่รวยรวยะนะแต่มองไปข้างไหนเศรษฐีไม่ค่อยมีนะมีแค่เงินเยอะๆแต่ไม่มีเศษส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันไลสาระ ถ้าคนรวยเหล่านี้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราหน่อยหนึ่งเขาจะกลายเป็นเศรษฐีทันทีนะตอนนี้หน่วยงานเข้ามาคุยกับพระครูหลายอย่างนะหลายอย่างเขาไม่เคยได้ยินว่าคุณจะมาช่วยคนจนอะไรช่วยอะไรช่วยคนจนรวยขึ้นเหรอกี่ชาติก็ไม่ได้นะการที่จะช่วยเหลือคนจนเนี่ยต้องช่วยให้คนรวยเนี่ยเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนรวยต้องหยุดรวย นั่นแหละคนจนจะไม่เดือดร้อนเราแก้ผิดหมดอ่ะได้เอาเงินมาแจกคนจนแจกแจกแจกนะมันก็ยังจนเหมือนเก่าไงคนที่เราบอกว่าคนรวยนะ่ะเขาก็ยังจนอยู่นะแม้กระทั่งคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยสำหรับพวกคูแล้วเขายังจนอยู่จนไปว่าไม่มีหรือมียังไม่พอรวยไปว่ามีเหลือร้นพอแล้ว เขายังไม่พอใจไนงะเขายังจอตัวเองยังจนอยู่เขายังอยากจะรวยขึ้นเขาต้องจนไปตลอดชีวิตจนไปจนตายแต่เขารู้คำว่าพอเพียงปุ๊บเขาจะมีส่วนเกินมหาศาลนั่นแหละเขาเป็นเศรษฐีแล้วก็สำเร็จในชีวิตแล้วถูกหลอกไปเล่นเกมไปเรียนวิชาวิชาชีพก็ดีแล้วไงอาชีพนะ่ะมีไว้อย่างชีพเฉยๆไม่ให้มันตายนะคือ มารักษาร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตเราเพื่อเดินทางไกลแต่ตอนนี้เราเอาร่างกายจิตใจเราไปทรมานไปทุกเพื่อสร้างอนาคตวันที่ตายปุ๊บก็เอาไปเผาบาทรเง่นก็เอาไปด้วยไม่ได้ไอ้ที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมแต่ทุกคนก็คิดนอกกรอบไม่ได้มุ่งมั่นสร้างอนาคตกัน จนไม่เอาชีวิตทั้งหมดคือเรามีความรู้ผิดไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความรู้นะบางคนก็บอกว่าเรียนนะต้องมีความ ว, าวิชาชต้องมีวิชาการเก่งๆแล้วจะได้เอาตัวรอดถ้า เรียนเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยไม่ต้องเรียนไปเป็นทาสานไปเป็นลิงมันก็รอดอยู่แล้วอ่ะแล้วรอดแบบลิงลอดเห็นไหมมันตีลังกาได้มันเบามากมันไม่ได้หนักอกหนักใจเหมือนพวกเรานะจนนอนไม่หลับหว่น ว, นหวงนุ่นห่วงนี่เห็นหมมนุษย์เราไม่ใช่แค่เอาตัวรอดเราต้องมีส่วนเกินนะเพื่อแบ่งปันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ตอนนี้เอาตัวรอดแล้วไม่รอดสักคนหนึ่งนะเขามีก็อยากมีกับเขาช้างขี่จะไปขี่ตามช้างให้มันให้มันกองโตเหมือนช้างก็ไปติดบ่วงหมดนี่แหละพ่อครูมายี่สิบแปดปีมาอยู่ที่นี่นะชาวบ้านที่นี่เขาจนอยู่ดีๆบ้านเมืองมาสอนให้เขายากจนวันนั้นเจ้าหน้าที่มาประชุมกับพ่อครู เขาได้ยินเขาบอกฟังพวกครูแล้วมันเหนื่อยเอา้าก็มันจริงหรือเปล่าล่ะทำไมเขาจนอยู่ดีๆนะอยู่นี่เราติดดินติดริมเขื่อนนะท้งโน้นชายแดนลาวนะในน้ามีปลาในนามีข้าวในปา่ามีสมุนไพรมีหน่อไม้มี ม, มีมีเห็ดมีอาหารเยอะแยะทีนี้คิดแบบทุนนิยมให้มันไม่เจริญ นะสอนให้ทํโน่นทนํานี่ก็ไปกู้นีย่ยิมสินมาลงทุนนี่ก็ขาดทุนหมดเขาไม่ดียียนวิชาบริหารเงินมาไงเราวหวังดีประสงค์ลายแล้วตอนนี้ถูกยึดที่ไปไปเป็นกรรมกรจากเกษต ร, รกรพัฒนาตัวเองไปเป็นกรรมกรเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาก็ไล่เราออกมาไม่มีแผ่นดินอยู่พวกครูต้องหาที่ให้เขาสร้างบ้านพวกครูเห็นความจริง เอาทำไมสมัยก่านเขาจนอยู่ดีๆเขาไม่เดือดร้อนไงลงในเขื่อนนี่ก็มีป่ามากินอะขยันหน่อยก็มูดลงไปในเขื่อนเนี่ยก็ไปเลื่อยตอไม้ที่สมัยก่อนพวกในทุนเขาตาัดตัดตัดนะเขาก็ไปเลื่อยที่มันเหลือนะก็เอามาซอยทําบ้านตัวเองเห็นไหมปัจจัยสี่อยู่ในภาคเกษตรหมดเห็นไหมตอนนั้นเขาไม่เดือดร้อน เขาอยู่ดีๆของเขานี่มาสอนให้เขายากจนใครต้องรับผิดชอบนะตอนนี้ทางการเมืองอะไรเองหนึ่งมิแตามาเอาใจเขาหรืออะไรนี่นะเอาเงินมาแจกมาหวานเขาแล้วสุดท้ายเอาเงินมาผ่านมือค่อยๆเป็นหนี้มากค็อมันคิดอย่างนี้นะให้เธอกู้หนี้สินแล้วเธอจะมีสตังค์ไปซื้อของเพื่อสร้างความรวยให้เศรษฐีมัน แล้วบ้านเมืองก็เก็บภาษีทางตรงทางอ้อม น, นี่เรากาลังหลอกกันแล้วสุดท้ายเขาเป็นหนี้มากขึ้นโดยชีวิตเขาไม่มีอะไรดีขึ้นบาปกรรมนะนะแต่พ่อกรูก็พูดให้ฟังเฉยเราทำอะไรไม่ได้แต่เราเตือนสติว่าคนที่ยังไม่หลวมตัวอย่าไปหลวมตัวคนที่หลวมตัวแล้วลุกขึ้นมาฟังในหลวงหน่อยหนึ่งนะศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของมนุษย์เสียชาติไม่ใช่เฉพาะของคนจนถ้าคนรวยเนี่ยเขาศึกษาเศรษฐกษิจพอเพียงเห็นไหมเขาจะได้ไม่ไปทุกต่อไปพวกครูเนี่ยอย่าว่าแต่คนยากจนนะพวกครูยากรวยมาแล้วคิดว่ารวยไม่ยากเลยยิ่งยากกว่ายากจนอีกห่วงหน้าตาศักดิ์สีกลัวจะแพ้ ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะ่ยศักดิ์ศรีป้าบ้าปอเนี่ยพ่อครูทุกข์กับมันมากบุญเก่าอีนั่นแหละทําให้พระคูหยุดได้มาอยู่ที่นี่พูดได้เลยยี่สิบแปดปีเนี่ยเศรษฐีตัวจริงนั่งอยู่ที่นี่เห็นไหมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยมั่นคงเพราะไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่มีของเราสักอย่างหนึ่งเห็นไหมที่บอกยิ่งให้ยิ่งได้ พ่อหลวงเราก็บอกกันว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราคือกําไรการทําบุญทำทานเราขาดทุนเงินเราไปไงเหมือนเราเสียเงินเราไปเราขาดทุนแล้วแต่เรากําไรอะไร uh. แล้วก็ได้บุญแล้วก็เบาไงบุญคือเบาไงเห็นไหมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเนี่ยในแง่ชีวิตเราเนี่ยก็สงบสุขไงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนเป็นทุกข์ ตอนนี้ต้องการรวยขึ้นก็เล่าร้อนทะเลาะ ก, กันอยู่ตอนนั้นแหละมันจะสุขหรือเปล่าเห็นไหมอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอ <c oughs> มั่งมีสีสุขมากไประบายสีด้วยต้องอันนี้นะสร้างขรืหาดหลังเราเป็นหลายร้อยล้านกำแพงอย่างกำแพงคุกเพราะลึกๆไม่เกิดความมั่นคงไงกลัวขโมยนะั่นนะ ต้องใส่ตะแกรงเหล็กรองรัวบ้านตัวเองไฟไม่มาหากุญแจไม่เจอก็ถูกมันเผาตายอารมณ์แบบนั้นมันสุขจริงๆเหรอยังก็อยู่ในคุกนะที่เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยมีบ้านดีอยู่กินดีมีอาหารดีกินแต่อยู่ดีนี่ไม่ได้ไปว่าอยู่แพงกินดีก็ไม่ได้ไปว่ากินแพงกินอาหารที่มันเหมาะกับาธาตุเรา กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินตอนนี้มีเงินเยอะๆมีบ้านแต่ไม่ได้อยู่มีอาหารแพงแต่ไม่ได้กินมีแต่ประชุมประชุมประชุมมีแต่เดินทางเดินทางนะสร้างคาเรือหาดลำหมักใหญ่หนึ่งให้คนใช้มานั่งเฝ้าเพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเราเนี่ย สำหรับพ่อครูแล้วว่าสุดยอดมันเป็นปัจฉญาเราไปเราไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนจนเสนิไม่ใช่นะเป็นของมนุษยชาติทุกคนแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยบังเอิญพระองค์เปล่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่ายุคนี้เราฝากชีวิตเรากับเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็มีความสุขถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทั้งก็มีความทุกข์จริงๆแล้วเรื่องพระองค์ทีพ่พระองค์พระราชโอวาที่พระองค์เปล่งออกมาเนี่ยตั้งเจ็สิปีนี่นะ นะพูดถึงเรื่องชีวิตทั้งนั้นหละคือชีวิตที่พอเพียงส่วนทฤษฎีใหม่เรื่องเกษตรพระพ อ, องค์ก็บอกพระองค์ก็ชี้ทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ปัญหาเกษตรก ร, กรแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่รวมทั้งหมดการศึกษาต้องต้องพอเพียงเนะี่ยพวกเรามาไม่กี่วันเนี่ยเรากาลังทำเศรษฐกิจพอเพียง ที่เราเต้นเราลำพวกอะไรนี่เราปฏิบัติธรรมนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องชีวิตโดยตรงนะเรื่องสุขภาวะร่างกายจิตใจและก็อารมณ์หาเงินเครียดเคียดมาได้เงินมาปุ๊บ ก, ก็อยู่ไปนั่งอยู่ใดนรถเข็นอันนี้ไม่พอเพียงวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาด สาจิตสาร่างกายสะาสิ่งแวดล้อมพุ่งหุ้มกันมันก็เกิดเราต้องพึ่งยาน้อยหน่อยหนึ่งเห็นไหมเมื่อเราพึ่งยาน้อยในบ้านเมืองก็ไม่ต้องไปขายข้าวราคาถูกแลกเงินดอลล่าร์แล้วไปซื้อยาฝรั่งมากินอันนี้มันไม่พอเพียงในแง่ระดับชาติในแง่บุคคลเองเนี่ยเราหาเงินมารักษาโรคเราไม่พอเพียงเราบริหารเศรษฐกิจเราไม่เป็นน้ําแก้วนี้ถ้าเป็นขวดน้ํา พักกูเดินไปเดี๋ยวเขาจะยื่นขวดน้ําให้นะเดี๋ยวพักกูจะทํานะเดี๋ยววันที่สิบนี้จะอบรมเกษตรกรเนี่ยแล้วให้เขาทําไอ้ลูกดอกอ่ะเดี๋ยวยืมลูกดอกไม่ชีวงทําเลยนะอันหนึ่งเขียนป้ายติดไว้ว่าเหล้าอีกดอกหนึ่งเขียนว่ายาอีกดอกหนึ่งเขียนว่าการพนันอีกดอกหนึ่งเขียนว่านี่สินสี่ดอกพักกูยืมใช้วันที่สิ เอาเหล้าเสียบปอกมันก็รั่วใช่ไหมเอานี้สินเสียบปอกยายารักษาโรค ก, ก็ดียาเสพติดก็ดีเหล้ายาคือยาบุหรีเนี่ยคนอีสานหมกยาสูบยาสูบยาเสียบปุ๊บการพนันเนี่ยมันรั่วไงแล้วขยันหาเงินหาเงินแล้วก็เทน้ำเข้าไปมันก็รั่วออกถามว่าวันไหนมันจะมันจะเต็มไหมเพราะมันไม่พอเพียง ไม่ใช่ไปหาเพิ่มรายได้เพิ่มรายไ ด, ยได้แล้วก็มันรั่วหมดไงเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายเราทำได้ทันทีเลยทุกวันนี้ใช้เยอะก็อยากใช้จักห า, างเงี้เยอะคนหนึ่งมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเขาถูกหลอกว่าเขามีรายได้เดือนหมื่นหนึ่งไม่ใช่เงินเดือนนั้นเป็นแค่รายรับแต่ใช้ไปหมื่นสอง พอเอาเงินอนาคตมาใช่งานรูดเครดิตการ์ดหมดใช้ไป1มื่นสองบวกลบคูณหารแล้วเหลือเท่าไหร่ติดลบสองพันมีรายได้ไหมไม่มีหนี้เพิ่มอีกสองพันแต่ยีกคนหนึ่งมีมีรายรับเงินเดือนแค่ห้าพันแต่เขาใช้สามพันอ่ะบวกลบปุ๊บเขามีรายได้เหลือสองพันถามว่าใครมั่นคงกว่ากัน เราถูกฝรั่งหลอกว่า GDP GDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันโตขึ้นถามว่าคนจนส่วนใหญ่ได้อะไรจากตรงนั้นโกหกล้วถูกโกหกหลายปีเลยนะพวกคุณเนี่ยทุนข้ามชาติแต่ทำไมจะไปร้วนในทุนคิดยังไงเออมาสร้างความมั่นใจให้ต่างประเทศเขามั่นเขาเชื่อถือเนี่ยเขาจะมาลงทุนแล้วเราจะเจริญมันจะเอาขี้มาให้เราสร้างแต่วัตถุจเจริญเห็นไหม เออส่งออกปีหนึ่งได้เท่าไหร่เงินมาล้านหนึ่งเขาโอนเงินไปประเทศเขาเก้าแ0นน่ะเราได้แสนหนึ่งเป็นค่าแรงถูกๆแล้วก็เก็บภาษีทางตรงทางอ้อมแล้วก็เอาเงินภาษีนี้มาเป็นสวัสดิการประชาชนเนี่ยมันคุ้มไหมแล้วเขามาปล่อยมลภาวะที่นี่แล้วตอนเราต้องไปขายข้าวราคาถูกๆเพื่อแลกเงินดอลล่ามาไปซื้อพลังงานน้ํามันมาม า, มาผลิตไฟฟ้าให้เขาถ้าการลงทุนเป็นการช่วยเหลือชาติ ต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยไอ้พวกนี้โง่หมดเลยทำไมไม่ไปลงทุนประเทศมันเราโดนเขาหลอกแต่ถ้าเราส่งพืชไร่การเกษตรจะไปเอาเปรียบเกษตรตอนนี้เนี่ยข้าสารเนี่ยข้าหอมมะลิเนี่ยพวกในทุนส่งออกเนี่ยมันขายากระสอบหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนะเกษตรก ร, ร, กรขายข้าเปลือกที่เป็นราคาเข้าวสารแล้วเนี่ย 7, 8, เจ็ดปดพัน ผลต่างตรงนี้ใครเอาไปถ้าจะย่อเปรียบให้เขาอยู่ได้นะเงินเข้ามาเมืองไทยเนี่ยล้านหนึ่งอยู่กับเมืองไทยหมดล้านหนึ่งนี่คือความมั่นคงแต่เราถูกเขาหลอกว่าเห้เธอต้องส่งออกเยอะๆเลยแล้วมันออกแล้วเงินมันอยู่ในกระเป๋าใครล่ะเขาไม่ต้องไปทำมวลภาวะในประเทศเขาเสียเขาไม่ต้องไปลงทุนสร้างเขื่อนทำลายป่าไม้เพื่อมาติตกระแสไฟฟ้านั่นแหละเขาไม่ได้โง่กว่าเราหรอก ความอยากของเราเนะ่ะถูกเขาหลอกอันนี้ชี้ให้ดูนะแต่เราทําอะไรไม่ได้จุดทําได้คือทำใจซะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่ไม่ใช่ไม่ทำนะพูดเพื่อฉันจะไม่ทำอันนั้นก็คนโง่อีกพลาดโอกาสในการสร้างกุศลพ่กครูพูดเพิ่งพูดนะยี่สิบปีไม่มีใครรู้จักพาะครูทำมาตลอดแต่ตอนนี้ขอพูดบ้างเพราะว่าพค่ครูหนีจากเมืองนอก ไม่ใช่มาอยู่บ้านนอกนะจุดนี้ไม่มีบ้านมาอยู่ป่าไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบอปีคิดว่าข้ามไปก็ชายแดนลาวแล้วไปอยู่ทิโนนก็เหมือนเป็นต่างด้าวเขาอีกอยูเมกาทุกมากเป็นต่างด้าวมันหลายปีเหมือนลึกๆเรารู้สึกเรามีอัตราตัวเองไงเหมือนเราไปอาศัยประเทศเขาอยู่เราก็เลือกไอ้ที่มันปลอดภัยที่สุดมาอยู่ในป่าเลยละ่ะชาตินี้คงตามมาไม่ได้ วันดีคืนดีเขาเปิดประตูอาเซียนอยู่ช่องเม็กเนี่ยฮะไม่ยอมปล่อยให้พกักูอยู่ตามลําพังนะไม่เป็นไรเธอเปิดได้ฉันจะลุยฉันก็ออกไปไม่เป็นไรแต่พกักูห่วงชาวบ้านแถวนี้เขาไม่มีทักษะเขาไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนอะไรขึ้นเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนเก่านะทุนนิยมไม่ใช่เรื่องเสียหายมันเป็นระบบการบริหารจัดการีนแบบหนึ่ง ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยไม่มีอะไรเสียหายเผด็จการไม่มีอะไรเสียหายคอมมิวนิสต์ไม่มีอะไรเสียหายสังคมนิยมไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่มันเสียหายเพราะไอ้คนที่มันบริหารนั่นแหละมันทำให้เสียหายเก่งกันไปอ้างกันมานะสุดท้ายมันมันมันไม่มันมันผิดประเด็นอันนี้พระครูก็อาศัยประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ย มาเล่าให้ฟังไม่มีอคติกับใครทั้งนั้นแล้วพูดในฐานะว่าเหมือนเราเป็นนกกระจิบด้วยกันเนาะเรากำลัลงหาอาหารพอดีมันมีเสือตนหนึ่งวิ่งมาเราก็ส่งสัญญาณเตือนภัยเท่านั้นเองส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะหนีทันไม่ทันก็ตัวใครตัวมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันมันเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติไม่ได้พูดพราะความเป็นชาตินิยมไม่ พวกชาตินิยมก็เป็นหลงชาติจริงๆแล้วโลกนี้ไม่มีชาตินะโลกใบนี้ไม่ใช่ของชาติไหนทั้งนั้นแหละแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ออกชนบทเป็นของฉันฉั้นนี่เราผิดศินแล้วนะเราไปเอาแผ่นดินของธรรมชาติว่าเป็นของฉันเนี่ยเราเป็นกลักขโมยแล้วเนี่ยเราต้องทุกเนแน่เพราะเขาลุกล้ํามาเราก็ทุกยังไงเธอมาลุกล้ําชี่ฉันฉันใหม่ใครบอกว่าที่ของเธอธรรมชาติใครบอกไหมว่าที่ของเธอมนุษย์เราขี้ตู่ขี้ตู่ว่าโลกใบนี้เป็นของมนุษย์ ใช่เหรอจริงเหรอจะทำอะไรก็ได้จะทำลายป่ากุดเจาะน้ำมันวันหนึ่งจี่ล้านมาเร็วมันก็เป็นถลม่มฉันมีสิทธิ์เหรอนี่ผิดศีล น, นะธรรมชาติกาลังปรับสมดุลเป็นโพงบทล้วไงเราต้องรับกรรมนั้นมันกำลังไล่บี้เราอยู่นะเพราะมนุษย์ผิดศีลมนุษย์ไปขี้ตูวว่าของฉันไม่ใช่ของเราสักหน่อยหนึ่ง อย่าว่าแะแผ่นดินอย่าว่าแต่ที่ทางเลยตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยถ้าใครไปหลงว่าตัวตัวตัวชั้นตัวชั้นล้วก็สั่งตัวชั้นจีสั่งสั่งไอ้ตัวชั้นเธอห้ามแก่นะเห็นคนแก่เดนขึ้นมาลุกก็โอยนั่งก็โอยฉันไม่ต้องการแก่ต้องฟังฉันนะเธอเป็นของฉันเห็นโรงพยาบาลเขาเอาคนไข้ามาร้องโอยอู้ฉันกลัวมากไอ้ตัวฉันเธอห้ามเจ็บนะฟังนะ ห้ามเด็ดขาดเลยนะไปงานศพเห็นลูกหลานร้องไห้หมดเลยว่าฉันก็ไม่อยากตายด้วยไอตัวฉันเธอฟังนะเธออย่าตายนะฉันไม่ชอบถามว่ามันฟังเราไหมมันไม่ฟังไงถ้ามันตัวเรามันเป็นของเรามันก็ฟังเราสิเนี่ยมนุษย์ผิดศีลไปแย่งของธรรมชาติเป็นของเราอันนี้นประกอบด้วยดินน้าลมไฟธาตุสี่มันไม่ใช่ของเรา พอมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยทุกง่างนี่แหละเราต้องรับกรรมเพราะเราผิดศีลเราไปขี้ตูว่าโลกของมนุษย์โลกใบนี้ของสรรพสิง่งไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละนะทีนี้ก็ย้อนมาถึงเรื่องพวกเราซะนะเพราะกูทำกเกษตรเพื่อชีวิตตั้งแต่นูนปีสามสองสามสามสามสี่สามห้าทำนะอบรมชาวบ้านหมดแล้วล่ะเขาก็ อบลมปุ๊บเขาก็กลับบ้านเขาก็ไม่ทำต่อไงพวกปุ๋ยอินทรีย์อะไรๆผสมสูตรมีกีบสูตรละโบเขาหมดทำหมดสุดท้ายเขาก็ไม่ทำไงทำไมเขาไม่ทำนะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าถึงเขาจึงไม่ยอมพัฒนาไงนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่พ่อครูเคยบอกว่าครอบครัวหนึ่งนี่มีที่ร้อยไร่มีลูกสิบคน คนนี้แต่งงานแบ่งไปสิบไร่คนนี้แต่งงานสิบไล่สิบไล่สไลทุกคนมีสิบไล่หมดเห็นไหมต่างคนต้องต่างทํามาหากินแม่บ้านต้องเข้าไปในห้องครัวเนี่ยจุดเตานะหุงหาอาหารพ่อบ้านก็ออกไปหาอาหารมามันจะเวลาที่ไหนจะไปผสมปุ๋ยอินทรีย์แต่สมัยก่อนเขาอยู่แบบครอบครัวใหญ่เขาเสียแม่บ้านคนเดียวเข้าไปจุดเตานึงหุงข้าวสิบสิบกระป๋อง กับกระป๋องเดียวก็ใช้เตาเดียวใช้คนเดียวอีกเก้าคนก็ไปทำอย่างอื่นนี่คืออยู่แบบครอบครัวใหญ่สมัยโบราณการแต่ตอนนี้เราชอบเสรีไงเขาเรียกว่าไปอยู่แบบซิงโก้แฟมิลี่ฉันชอบเสดีแล้วสุดท้ายแรงงานเธอก็ไม่พอภาคเกษต ร, รทำอย่างนั้นไม่ได้คนแก่คนเฒ่าอย่าไปทิ้งเขาไม่มีเขาก็ไม่มีเราเขามีประโยชน์อ่เอ า, เอาคนนี้ลงไร่คนนี้ลงนา คนนี้เข้าป่าคนนี้ลงน้ำยังมีคนแก่อยู่กับบ้านเลี้ยงเด็กไงคนแก่เนี่ยเขาไม่มีแรงแต่เขามีประสบการณ์ดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยนั่นคือบิ๊กแฟมิลี่และความคิดแบบนั้นนะ่ะเกิดขึ้นที่ศูนย์พลานคอยละ่ะแล้วของเราบิ๊กแฟมิลี่ไม่ใช่ธรรมดาบิ๊กแฟมิลี่แบบครบองค์เลยละ่ะพุทธบริษัทสีอยู่ร่วมกันเจ้าชายเสด็ธฐานะัน ถ้าไม่มีเพศหญิงอะ่ะเจ้าชายยุทธาเกิดขึ้นมาได้ไหมนะมันต้องอิงเอื้อกันประโยชน์ทั้งหมดแหละอันนี้ไปแยกมึงแยกกูแยกผู้ชายแยกผู้หญิงเอ่ออะไรเนี่ยเราต้องรับกรรมเพราะเราผิดศีลเราไปแย่งของธรรมชาติเป็นของเราเพราะคุณเน้นอย่างนี้บ่อยๆนะส่วนเรามีเผิอมาเกิดแล้วไงมีร่างนี้แล้วเหมือนเรามีรถยนต์แล้วในไหนก็มีแล้วเนี่ยเออดูแลมันตามอัตภาพก็ใช้มันทําประโยชน์ นใช้ขันห้านี่ทำตามประโยชน์แต่จะเป็นหลงว่าเป็นของชันอาจารย์พูทธทาตพูดภาษาพ่อคุณลามแหลมากว่าตัวกูไงก็เลยมีของของกูพอเขาแย่งของของกูไปกูก็เลยทุกไงอา้าวทุกสิเพราะเธอผิดศีลไงไม่ใช่ของเรานะใครมีอารมณ์นี้ต้องดูนะนะคุณแม่แม่ทั้งหลายเนี่พ่อ ก, กูบอกแล้วเคยในศูนย์เนี่ยทาบุญเป็นล้านเนี่ยเพราะว่าเขารบพ่อครูศรัทธาเนี่ยก็ยังยอมนะ พอเขาไปตัดกล้วยหนึ่งแสนหนึ่งอยู่หลังบ้านเนี่ชักจะไม่ยอมของฉันนีกแหละเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับมูลค่าของกล้วยมันเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีไงศักดิ์ศรีนี่ก็เหวี่ยงทิ้งมันทําให้เราทุกข์นะพราครูเป็นคนหนึ่งแรงมากพราครูให้เกียกรติเฉพาะคนซึ่งไม่มีเกียรติ ไอ้ทรงคนซึ่งมีเกียรติคนไม่มีเกียรติมันไม่รู้ว่าเกียรติคืออะไรไปให้เกียรติมันทําไมสมัยไม่ปฏิบัติธรรมนะนักเลงเรียกพี่นะแต่มาทางธรรมแล้วนี่มันข้ามผลเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีบ้าบ้าบ่เนี่แหละเนาะเรามีหน้าที่เมตตาเห็นไหมตอนนี้ถึงข่าวพวกเราแล้วนะเพราะตอนนี้เรามีหลายปากครัวทุกวันนี้ทําอาหารต้องเลี้ยงคนพันปากเด็กนักเรียนก็เจ็ดแปดร้อยครูด้วยญาติธรรมเข้าเข้ ไม่กลัวเรามีแค่สมบิว่าเรามีแค่พันปากแต่มีเราสอ ง, สองพันมือไงนะใช้มือให้เป็นประโยชน์นะแล้วเราจะมีส่วนเกินเพื่อแบ่งแบ่งปันคนอื่นนะทุกคนตื่นขึ้นอาศัยบรารมีของในหลวงของเราท่านเตือนเราครั้งสุดท้ายอย่าประมาท นะศูนย์ก็ไม่ประมาทที่ผ่านมาหลายปีเพราะครูงานเยอะมากเนะี่ยเพิ่งต่อเติมสาราเสร็จนี่ศูนย์จิตใจยังไม่เสร็จดีนะยังค้างน้องเนนอยู่นะกุดที่พักเนนยังไม่เสร็จเขาถมดินแล้วละ่ะแต่ทีนี้เนื่องจากวันที่13มตุลามาเนะี่ยขึ้นตอนนั้นแรงก็ไปทําตรงนั้นก่อนแล้วตรงนี้เมื่อมีจังหวะเวลาลวเราก็มาทําให้มันสมบูรณ์นะเราที่นี่ก็คือบอรวรบ้านวัด โรงเรียนก็อยู่ด้วยกันพุทธบริษัททั้งสีก็อยู่ด้วยกันทุกคนเป็นเจ้าของหมดสูญนี่ไม่ใช่ของพระครูพระครูไม่โง่ที่จะผิดศีลเข้าใจไหมถ้าโง่แล้วนี่พวกเราไม่ต้องมาหาพระครูหรอกมาหาคนโง่ทําไมเดี๋ยวเสียเวลาชีวิตพระครูจะไม่โง่ไม่ใช่ของใครนะเมื่อเราอยู่กับที่นี่แล้วก็มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่นะแล้วก็แบ่งปันส่วนเกิน เห็นไมเราเป็นเศรษฐีกันทุกคนเศรษฐีในที่นี้ไม่ได้วัดว่าใครมีเงินมากมีเงินมากมีเงินน้อยเขาวัดว่ารวยเท่าไหร่ไม่ใช่เศรษฐีเรามีเวลาส่วนเกินเนี่สร้างอเรียทรัพย์ให้กับตัวเองเรากวาดใบไม้ทุกวันมีเวลาภาวนาทุกวันเห็นไหมมีหน้าที่ดูแลเด็กๆนะเราทําทานทุกวันเห็นไหมอยู่ในศิลในธรรมบางทีศิลก็ศิลศิลผุผุโผล่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มี นะทำไปเรื่อ ย, เ, อยเดี๋ยวมันจะมีมากขึ้นนะต้องเห็นตัวเองนะที่นี่เราอยู่กับตัวเองตลอดนะเช้าสายบ่ายเย็นมาเต้นมาเช็คมาอะไรก็อยู่กับตัวเองไงแต่อยู่ข้างนอกลืมตาปุ๊บเ้วันนี้ไปไหนเออจะเดี่ยวกับใครไม่จะส่งออกทั้งนั้นเลยนะจิตส่งออกคือสมุทไทยคือตัวตันหาผลของการส่งออกคือทุกแนแน่มันเป็นการสร้างมโนกรรมแต่อยู่ที่นี่เราอยู่กับตัวเองตลอด แล้วเราก็เห็นตัวเองตลอดเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆและก็บ่อยๆเรียกว่าวิปัสนาจิตก็รู้แจ้งว่าในตัวเรามีกิเลสอะไรบ้างมีอารมณ์อะไรบ้างต่อไปอารมณ์นี้มันก็หลอกเราไม่ได้นั่นแหละคือทางพ้นทุกข์แต่เราจะไปติดบ่วงเขาบอกว่าไปไหนไปปฏิบัติธรรมตามไปดูพวกก็ไปนั่งสมาธิจเจริญสติ อันนั้นไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นไปฝึกวิชาสมาธิจะกับสติปฏิบัติธรรมต้องเจริญมักผลนิพพานแต่การเจริญมักต้องใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ไปฝึกสมาธิจเจริญสติแต่ทีน่นี้ทั้งสังคมเป็นอย่างนั้นหมดแล้วเราทำยังไงทำใจถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นแบบนั้นเท่านั้นนั่นคือเอาวิชาคือความหลงผิดละ่ะติดรูปแบบ ติดอะไรก็ช่างก็คือไม่หลุดพ้นก็ติดก็คือหลงหลงติดมันก็ดึงเราไว้มันจะไปหลุดพ้นได้ยังไงการหลุดพ้นต้องสลัดออกบวงต่างๆที่เราติดมันต้องอิสระจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมชาติจริงมาทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งตัวเราก็มีนะคำว่าอนัตตาไปแปลว่าไม่ไม่ไม่มีตัวตนนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิด นี่ไงมีไงนี่ไมันนั่งอยู่ตรงนี้มันมีไงแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามันไม่มีตัวตนใครจะเป็นคนเกิดขึ้นการใช้ภาษาก็ต้องระวังทําให้สับสนวุ่นวายนะถ้าคนเข้ามาดูแนวที่เราปฏิบัติไอแนวที่มันไม่มีแนวเนี่ยถ้ามีแนวพุ๊บทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนะเหมือนเมื่อคืนเปิดให้ดูนะมีสามมีสามท่าใช่ไหม ถ้าโบกรถเมย์โบกแท็กซี่โบกแท็กซี่ถ้ารีดผ้าเห็นไหมถ้าอะไรนะก้มลงไปเ อ, อทุกคนเป็นหุ่นยนต์เป็นกันหมดนั่นน่ะถ้ามีวิธีตายตัวมันจะมีอา จ, จมีคนเนี่ยทาถูกวิธีผิดวิธีไอ้ที่เราทําเนี่ยแนวที่เราทํามันไม่มีแนวไอ้ที่ไม่มีแนวน่ะคือแนวที่เราทํา แนวใครแนวมันไม่ต้องคอนโทรลไม่ต้องสั่งการไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องฝึกทำเลยชีวิตเราไม่เคยอิสระเลยทำอะไรต้องมีท่าแม้กระทั่งเต้นอาราบิกนะต้องจำท่าจาท่าลึกๆมันควบคุมมันเครียดนะแล้วไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทำได้นะเพราะมันมีท่าไงไอ้ที่เราทำอยู่บางทีเวีย ง, เ ว, ยงเวียงมากมันพัมกิ้งขาอล่อขลอลออหมดท่าเลย นั่นแหละมันทำลายท่านั่นคือความอิสระแต่มันต้องข้ามพ้นกิเลส ท, ที่เราเคยชินกิเลสบอกได้ยังไงได้ยังไงมันไม่สำรวมเนี่ยจบที่คำว่าสำรวมพระครูหลายปีครูบาอาจารย์มาแลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยเขาดูปุ๊บข้อแรกก็สอบตกแล้วที่นี่บอกไม่สำรวมมาเต้นแรงเต้นกาเลไม่สำรวม พอ ก, กูก็เรียนถามว่าสำรวมไปว่าอะไรสำรวมไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทนะภาษาลีบุตรยังกะลิงเลยนะนะท่านสำรวมมากถ้าไม่ได้ไปตีหัวใครสำรวมไปว่าระวังสำรวมอินทรีย์ระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นแต่ละแปลว่าสำรวมคือเรียบร้อยวางฟอร์มเรียบร้อยเดินมาอย่างผู้ดี เดี๋ยวไปเห็นกระเป๋าเงินใครตกไม่รู้เนี่ยมองซ้ายมองขวาเก็บขึ้นมาอย่างผู้ดีเอาไว้ในกระเป๋าเดินไปอย่างสํารวมเห็นสตรีตกน้ําเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่สํารวมไม่ยุ่งเดินไปนี่ฆ่าสัตว์แหละจิตบันทึกแล้วว่าเธอไม่ช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งวิ่งมาเหมือนลิงเลยเออเห็นกระเป๋าตกเกือบปุ๊บเออชื่อคนนี้วิ่งเอาไปให้คืนเขาเห็นผู้หญิงตกน้ําโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาคนนี้สํารวมมาก เดี๋ยวพกคุจะแสดงสารวมให้รู้ว่าไหมนะขึ้นมานั่งขาขวาทับขาซ้ายนั่งทำสมาธิก่อนแล้วก็พูดเสียงเนิบเนิบใส่สเสน่ห์มหานิยมไปด้วยน ะ, ะเหมือนกอบดิงให้หลับเลยนะแต่จิตตอนนี้นี่พูดโกหกเขาเนี่ยคนนี้ไม่สารวมอย่างยิ่งแล้วไปติดวงภาษาเหล่านี้จิตมันถึงไม่อิสระ โดยเฉพาะไอแนวที่เราที่ไม่มีแนวปฏิบัติเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจนะเดี๋ยวจะเจอคนที่เขาหวังดีประสงค์ลายนะเธอขาดสติหรือเปล่าอายุขนาดนี้มาเต้นมาแรงอะไรเนี่ยมันจะใช่หรือปฏิบัติธรรมที่ไหนเขาทาแบบนี้อะไรก็อ้างพู้ด้วยเจ้าว่าเออสิ่งที่ท่านอ้างมาท่านเอามาจากไหนความรู้เนี่ยเขาว่าใช่ไหมเขาว่าใช่ไหพผู้เจ้าบอกเลยอย่าพิ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพิ่งเชื่อตําราไง มีิจะไปท่องจำมาแล้วไปจับถูกจับผิดคนอื่นมิแต่เขาว่ามันเป็นความรู้เป็นความจำมันไม่ใช่ความจริงความจริงต้องปฏิบัติเองเมื่อเข้าไปถึงความจริงเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเรา่าตถาคตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเพราะกูเห็นแค่ไหนแล้วเบิดตุงปุ๊บถวายชีวิตพระพุทธเจ้าเลยก็มาอยู่ในป่านี้ไง ไม่ได้ไปอยู่บ้านนอกนะไม่มีบ้านไม่อยู่ในป่านี้สิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าอย่างสงบเย็นไม่ลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นที่เราสมมุติพระพุทธเจ้าไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถานะนะเนเป็นดวงจิตซึ่งอาศัยร่างเจ้าชายเิทธตถ์เฉยๆดวงจิตนั้นยังอยู่แต่ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุนี้ท่านไม่ทิ้งเรานะท่านยังมองเราอยู่นะ เนี่ยใครไปดูพระใหญ่ฐานพระใหญ่นะีนะอาจารย์ปรามีก็มาทําพิธีสมโพธิถึงสว่างทายเห็นเลยนะมีดวงตาเนี่ยมองเราเนี่ยแนะเชี่ยวนี้ท่านมาเร็วๆนี้ก็มีอีกนะถ้าเห็นท้องฟ้าเป็นทรงกดแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ยเห็นดวงตามีคิ้วด้วยเพ่งมองเราอันนี้เรียกว่าอวะโลกิเตสวรอวะคือเพ่งมองโลกิยะคือมองโลกเตสวรคือการร้องไห้ลาควานของสัตว์โลก จิตถึงเป็นโพธิสัตว์นี่เขาเขาไม่ทิ้งโลกพระพุทธเจ้ายังมองเราอยู่และบวกอีกหนึ่งใครจะว่ายังไงก็ช่างในหลวงยังไม่ทิ้งเราท่านเป็นอวโลกิตเตส่วนท่านคือพระโพธิสัตว์เราไปขโมยทำอะไรในห้องน้ำคิดว่าท่านไม่เห็นนะเห็นนะเราหลอกไม่ได้หรอกนะ นั่นแหละไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนี่ความลับไม่มีในโลกนี้นะฝึกตัวเองให้บริสุทธินะ์ตอนนี้พวกครูเคยนะเคยบางทีทุกวันอาทิตย์เนี่ยเชิญมามามาม า, ม า, มาหน่อยนะถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็ขึ้นมาไงเขาไม่มีแต่ถ้าเป็นคนเรียนเยอะๆเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตร า, าจารย์นันลึกๆโกรธมากนะน่าจะบอกล่วงหน้าก่อนจะได้เตรียมสื่อมาหน่อยหนึ่ง อ้างอิงนนอ้างอิงนี่นะเห็นไหมกลัวมากทำไมยิ่งเดือนเยอะๆยิ่งกลัววะกลัวตกมาตายกลัวเสียศักดิ์ศรีธรรมะไม่ต้องกลัวมาเมื่อไหร่ก็พูดได้เขาถามมาอะไรปุ๊บบอกฉันไม่รู้นั่นเป็นความรู้อย่างยิ่งที่เราไม่รู้นะแต่แต่าทางโลกกลัวมากก็ ว, ว่าจะเป็นคนไม่เก่งไงยิ่งเดือนยิ่งมืออัตตาเยอะเครียดไปหมดเลยนะจริงๆแล้วนี่เราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะ เออพราะพุทธองค์เองเนี่ประชวรเนี่ยพระองค์ยังต้องอาศัยชีวะกะเนี่ยมารักษาพระองค์เนี่ยไม่ใช่พระองค์ต้องรู้ทุกเรื่องเข้าใจวะเราบอกไม่รู้แล้วก็บอกไม่รู้นั่นแหละคือคนมีปัญญาอย่างยิ่งคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะ่ะมีปัญญาแต่คนที่ไม่รู้แล้วก็อวดรู้แล้ว ก, กบใส ต, ตัวเองนี่แหละคนที่โง่อย่างยิ่งเนาะธรรมะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ ที่เราบอกเราไม่รู้นั่นแหละคือธรรมะคือความจริงไงทําไมต้องไปกลัวล่หรอรู้สึกอายเขานะหมอบัญชาบอกว่าอายทําไมคนกันเองทั้งนั้นเลยนั่นแหละมนุษย์เรายิ่งคนกันเองไนงะยิ่งอายกันเองคนอื่นไม่ว่านะคนกันเองไม่ยอมไงเพราะเสียศักดิ์ศรีไงนี่แหละตัวอัตตาตัวอีโก้ตัวกูกูกูอายอ า, ยอาย หละมันสร้างอัตตาขึ้นมาพวกเรามีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อลดอัตตานะไม่ใช่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาอุ้ยเห็นเป็นโน่นเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยสร้างอัตตาขึ้นมานี่หลงทางล่ะปฏิบัติเพื่อลดอัตตาวันที่เราพ้นทุกข์ก็คืออัตตาถูกระเบิดทิ้งเข้าสู่สุญญตาคือว่างจากอัตตานั่นแหะคือทางพ้นทุกข์ทางโลกสอนยิ่งสอนยิ่งอัตตาเยอะท่านเป็นใครเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ เป็นหมาเสตียเป็นประธานไม่เป็นคนแล้วเนาะไม่เป็นคนแล้วนะแค่เป็นคนก็ทุกข์มากมายแล้วยังเป็นโน่นเป็นนี่ใส่หัวโขนเนี่ยนะนะแล้วปฏิบัติเพื่อเราเลิกเป็นถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยล้วเป็นมาหมดแล้วจนมันขี้เกียจเป็นแล้วเพราะเป็นอะไรก็ทุกข์ไงอันนี้ยิ่งปฏิบัติมายิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วอัตราเยอะอันนี้หลงทางเนี่ยจำไว้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นเราหลงแล้ว อาเข้ามาใหม่เนี่ยรุ่นน้องต้องข่มมันหน่อยหนึ่งนะหารู้ไหมว่ารุ่นน้องที่เดินมาเนี่ยเป็นพระ อ, าอารหันนะไอ้คนที่ไปบอกเขานี่เป็นหมูหันนะทำไมบางทีนิ่งเฉยตำลึงทองนะไม่ต้องอวดนะทำดีทําดีก็พอไม่ต้องอวดดีนะทำดีทําแค่พอดีแต่อย่าไปติดดี ถ้าติดีปุ๊บมันจะอวดดีทั้งที่มันไม่ดีจริงๆถ้าดีจริงๆมันก็ไม่อวดดีนะทําดีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องอวดดีไม่พอต้องละชั่วด้วยอันนี้ดีก็ทําชั่วก็ทําเห็นไหมดีให้มันสะอาดชั่วทําให้มันเปื้อนเล่นชักเยขย ด, ดึงไปดึงมาเนี่ยมันไม่ไปไหนนะคํานึงหลวงพ่อชาเคยเตือนบอกว่าทําดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนมันจะไปไหน ตอนนี้มีพระลูกศิษย์ท่านก็ออกไปแต่งงานนะนะมีอยู่ดีก็ดีไงแต่อชั่วไม่ละไงมันไมไ่ชั่วร้ายว่าเหมือนเราไปตีหัวใครหรอกที่เราแพ้กิเลสเนี่เป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งท่าในทางจิตวิญญาณทำดีละชั่วไม่พออย่าแกล้งดื่มหนี้เก่านะเพราะครูบอกทุกอย่างเป็นสมมุติหมด โอ้ฉันเป็นหนี้ธนาคารหนี้ก็สมมติเนี่ยธนาคารอย่ามายุ่งกับฉันถามว่ามันยอมไหมหนี่ต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสด้วยไม่จะไปเพิ่มแค่สติเพิ่มสมาธิต้องเข้าไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสช่วงที่เรากําลังขัดนี่มันก็มีวิบากกรรมทั้งด้านบวกด้านลบเราจะเกิดปัญญาเรียนจากประสบการณ์เดิมเรานั่นคือกล่องปัญญาเนี่ยนั้นเหมือนเด็กๆตอนนี้เข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์นั่นแหละเห็นไหมเขาก็รู้หมดเลย รู้ทุกอย่างในโลกนี้ที่เขาอยากจะรู้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยฉลาดเอามาปรับใช้มาประยุกนะเป็นวิชาใหม่ของตัวเองอันนี้ไปท่องจำมาเฉยๆแล้วก็ไปสร้างอัตตาว่าฉันรู้ทั้งท่งนนีไม่ใช่ความรู้ของเรามันความรู้ของคนอื่นเราเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้นะตอนนี้การศึกษาบ้านเราล้มเหลวสอนแต่ให้เด็กมันไปตามรู้จักใช้รุ่นใหม่แค่เป็น เป็นาธาตุหาเงินไปซื้อรุ่นใหม่ไงเราต้องสอนให้เด็กเรามันสร้างรุ่นใหม่ไม่ใช่ไปหลงรุ่นใหม่ให้มันกล้าคิดแสดงศักยภาพนะก็พรกครูก็ประกาศวันนี้เลยว่าเป็นบารมีของในหลวงรัชกาลที่านะทำให้พระครูที่จริงแล้วพ่อครูเห็นสิ่งนี้นานแล้วล่ะ แต่ตอนนี้เวลามั น, ม, นมันถึงเวลาแล้วนะตอนนี้เราก็ให้แม่ชีน้อยแม่ชีปฐมเราเนี่ยนะทำเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีหลายวิชาช่วแยกเป็นวิชาซะนะวิชากเกษตรก็เป็นทฤษฎีใหม่และในกะเกษตรนั้นก็มีแยกแขนงย่อยนะแม่ชีปฐมก็รับหน้าที่ไปปลูกผักในดินเรียนรู้เรื่องดิน นะเหมือนในหลวงเรากับพระราชนีท่านหนึ่งเน้นเรื่องดินท่านหนึ่งเน้นเรื่องน้ำนะม่ชีมัธยมเราก็ปลูกผักในน้ำต้องไปศึกษาออกนะมีข้อมูลตัวนี้เยอะแยะมันไม่ได้ยากหาหาะหาะหาง่ายสำคัญว่าจะเลือกปรับใช้อย่างไรที่มันเหมาะกับภูมิสังคมภูมิสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ไปซื้อบือ้อก็ปี้ขมดไม่ใช่นะอันนี้คือการศึกษา learning by doing เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาเด็กมันก็ต้องคิดเออสูตรนี้ถูกผิดเห็นไหแล้วก็มัธยมพี่มัธยมก็ต้องรับเรื่อง i อน i ซม์ไปด้วยเอ s i ซม์เป็นประโยชน์นะอันนี้แหละเป็นตัวประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรหรือว่าเราเอามาใช้เป็นน้ายาสารพัดที่เราทำนะก็ เรียนรู้ไปนี่คือการศึกษาบูรณาการทุกๆวิชาอยู่ในอยู่ในเดียวกันแล้วเราก็ได้ขับเคลื่อนได้ทำบุญด้วยขับเคลื่อนปณิธานของในหลวงของเรานะให้คนที่เขามาเนี่ยเขาได้เรียนรู้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ยากจนเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาจนอยู่ดีๆสังคมนี่ไปทำให้เขายากจนนะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยที่นี่ไม่กบไต น, นะไม่มีลิขสิทธ์ หน่วยงานก็เริ่มมาถามแล้วว่าจะเอาคนเข้ามาดูงานเนี่ยค่าหัวเท่าไหร่ที่นี่ไม่ได้ค้าขายที่นี่ฟรีนะต้องขอบคุณที่เขาเข้ามาให้เรามีโอกาสได้ให้ธรรมทานนะคุณเมชีแล้วก็สามเณรก็ดูแปลงผักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพชัดเพราะตอนนี้เรามีหลายมือละ นะพระครูก้าคิดสมัยก่อนพระครูอยู่คนเดียวไม่รู้ทําอะไรเธอเยอะแยะตอนนี้เราต้องช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมในการพายเรือลํานี้นะเพื่อสารต่อปณิธานของในหลวงของเรานะพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แนตะเราทําบุญกับพโพธิสัตว์นี่เราก็ได้กุศลแน่นอนโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมี